เมื่อได้อ่านได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะทำให้เกิดวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียงเพราะทำที่ได้ยินได้ฟังนั้นทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้รับนั้น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 ที่อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองได้ศึกษากันแต่ท่านก็สามารถที่จะกกดันตัวเองด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่งบางครั้งในตอนเริ่มแรกก็อาจจะมีเหตุบังคับเช่นเป็นธรรมเนียมที่จะต้องบวชทั้งๆ ท, ที่ก็ใจก็ไม่อยากจะบวชแต่ด้วยความจำ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 ปิกัน้นส่งให้ประทับพระราชบิดาส่งให้ประทับอยู่แต่ในพระราชวังไม่ให้ออกไปข้างนอกและก็ไม่ให้เทวทูตทั้งสี่เข้าไปในพระราชวังเพราะพระราชบิดาทรงรู้ว่าถ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะได้พบเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้ว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 เอาเงินที่ซื้อความสุขต่างๆนี้มาเติมน้ามันจะดีกว่าเช่นจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อความสุข้วยการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรืออะไรก็ตามในรูปแบบของกามมัชันทะก็เอาเงินนี้ไปบริจาค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 การมาฉันทะเราก็ย้อนมันด้วยการเอาเงินนี้ไปทำบุญทาทานแล้วเราก็จาเท่ากับได้เติมน้ำมันให้แก่จิตใจของเราให้เติมวิรยิยะอุตสาหะให้เติมศรัทธามีเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาที่ได้ทาตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำจะทำให้เกิดผลขึ้นมาทางจิตใจ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 ยังไม่ชอบทาบาปก็จะนำพาไปสู่การรักษาศีนโดยอัตโนมัติคือจะรู้สึกว่าการรักษาสีนนี้มันไม่ยากเย็ยนเลยไม่เหมือนกับตอนที่ต้องการใช้เงินมากๆต้องการหาเงินมากๆาหาเงินเร็วๆนี่บางทีก็รู้สึกว่าถ้ารักษาสีลแล้วมันจะเป็นอุปสรรค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 ตอนที่ยังไม่ได้มาศึกษาธรรมคนที่ไม่รู้จักธรรมะนี้จะทำในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจคือการไปหาความสุขผ่านทางตาหูจหมูกลื่นกายโดยเฉพาะความสุขทางด้านอบายามุขต่างๆเช่นการเดิมสุราการเที่ยวกลางคืน การเล่นการพนันการครบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดชังพฤติกรรมเหล่านี้แหละเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อจิตใจ mm. ก็จะฉุดบ้าให้จิตใจไปกระทำบาปตามลำดับต่อไปเมื่อ mm. ใ, ใจทำบาปแล้วแทนที่จะมีความล่มเย็ยนเป็นสุข mm. ก็จะมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์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 อ็เลยพิจารณาส่วนนั้นไปคือส่วนที่ไม่สวยไม่งามพอเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายกามารมที่เกิดขึ้นก็จะดับไปความรู้สึกว้าเวเศร้าซ้อยหงอยเหงาก็จะหายไปก็จะทำให้อยู่ตามลําพังได้นี่คือลักษณะของผู้ที่มีอริยสัจสีอยู่ภายในใจ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 ทุกครั้งที่มีตัณหาความอยากที่จะออกไปข้างนอกก็ใช้ปัญญามาสกัดมากมาทำลายข้าศึกษัตวปูที่จะคอยหลอกล่อให้ใจออกหลงออกไปหาสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจพอ ป, ปัญญาเฉียบแล้รู้ทันกลของกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาก็จะไม่สามารถที่จะมาฉุดลากจิตใจให้ออกไปสู่ รูปเสียงกิดลดผลสภาพษษษษษได้ต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรดังนั้นขอให้ท่านลงพยาหมันเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆหมันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่อเอาจริงเอาจงศึกษาฟังให้เกิดความเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกวันบ่อย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 ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอนิอยัตาิาวาริวาหาปุราปาริปฆุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุจังกบา จันโทปนะระโสยถามณิโจติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอพิวาทานศีลิสะนิจังวุทธาปะจายิโนจตารโธัมมาวะทานติ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 เพื่อผู้ที่ฟังจะได้ยินทั้งคาถามและคําตอบถ้าไม่มีใครถามออเมยียยกมือเป็นคุณหมอเลยครัตบตรงไปคุณหมอนะตรงไปตรงไปเราพูดใกล้ๆหน่อยนะครั บ, รบท่านพระอาจาครับเอออยากทราบว่ากรถินนะครับที่เราทอดในสมัปัจจุบันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกรินเนี่ยมหมายถึงแค่ผ้าขาวอย่างเดียวรหรือเปล่าครับหรือทุกวันนี้เนี่ยที่ผมเห็นทํากันก็คือ เออมันมันจ ะ, นจะถ้าเป็นวัดในเมืองเนี่ยก็จะเป็นผ้าสำเร็จรูปซึ่งทำมาแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นที่ตัวปัจจัยอย่างเงี้ยครับคือผมเลยไม่แน่ใจว่าไอ้อย่างนงี้มันเป็นกระถินตามที่ได้มจาจากในสมัยก่อนไหมครับคือในสมัยก่อนนั้นขาดแคลนผ้าผ้าไม่มีผ้าชว้สำหรับเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนปอนพระพุทธเจ้าก็เลยทรง บอกญาติโยวมว่าควรจะถวายผ้าให้กับพระเพราะสมัยนั้นมีแต่ใส่บาทเพียงอย่างเดียวส่วนผ้านี่พระต้องไปหาผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามป่าชา้าตามกองขยะตามข้างทางแล้วเก็บมาผสมเล็กผสมน้อยพอได้จำนวนพอกับการตัดเย็บก็นามาตัดเย็บเป็นจีวรทีนี้ปริมาณพระมาบวชมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น ผ้าที่จะหามาทํามันก็ไม่พอเพียงพระพระก็เลยมีผ้ามันเพียงทีเพียงผืนเดียวพอเวลาเปียกก็ต้องห่มทั้งเปียกๆพระพุทธเจ้าก็เลยทรง่งบอกให้ญาติโยมถวายผ้าโดยมีกําหนดเงื่อนไขต่างๆเช่นถวายได้เพียงเดือนเดียว เ, เพื่อไม่ต้องการให้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 แล้วก็ครั้งหนึ่งจะมีการร่วมกันทําบุญใหญ่กันสักครั้งหนึ่งก็คือในช่วงกรถินนี้ดังนั้นจะว่ากรถินเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าก็ยังมีการถวายผ้าผ้ากรถินอยู่มีผ้าแล้วก็มีการนำเอาไปตัดเย็บซักยอ้อมให้เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในในใจจีวร น, นี่แล้วก็ทําเหมือนกับในสมัยพระพุทธการทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีการถวาย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 แังนนหนตาท่านก็เลยไม่แค่ไม่เก็บเงินไว้ในวันมีเท่าไหร่ท่านก็เอาเอาไปสงเคราะห์โลกเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองในเวลาตายไปจึงไม่มีสงครขามแย่งสมบัติกัน้าใจยนะังโอเคใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก้าวทั้งอินเทอร์เนต็ตต่อ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 แต่เวลาเรานั่งไปเกิดจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเองไปซ้ายขวาหรือข้างหน้าข้างหลังก็อย่าไปสนใจเพราะถ้าเราสนใจแล้วมาปรับเดี๋ยวมันก็ปรับไปปรับมาเดี๋ยวคิดว่าเองไปทางซ้ายเขาปรับมาทางซ้ายอา้าวคิดว่ามากไปกลับมาทางขวามันก็จะมัวแต่ปรับอยู่ที่ร่างกายแทนที่จะพุทโทดูลมหายใจมันก็เลยไม่ได้ทำมันก็เลยนั่งไปแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ย เวลาเริ่มต้นนั่งทำความเข้าใจว่าร่างกายนี้ดีอยู่แล้วเราตั้งดีอยู่แล้วตัวตรงไม่เกร็งไม่อะไรสบายแล้วถ้ามันจะงอบ้างเอ็นบ้างก็เป็นเรื่องของมันถ้ามันจะล้มลงไปไข้มันล้มลงไปแล้วล้มลงไปแสดงว่าสติเราหมดนะหลับคำถามข้อต่อไปจากคุณนิชาพานะครับกาเรียนถาม ว่าเมื่อประจักษ์ชัดเรื่อนเจ็ดวันในอริยาบุคคลขั้นต้นแล้วปฏิบัติต่อเนื่องศีลหบริสุทธิ์สมบูรณ์ศีล8ในวันพระทําเช่นนี้มาเรื่อยได้ร1 9ยวันแล้วจิตสงบอยู่ที่อุเบกขาได้ตลอดรู้ทันการกระเพื่อมเมื่อจิตถูกกระทบแต่ไม่เอาทั้งชอบทั้งชังเพราะไม่อยากมีเชื้อให้มาเกิดอีกขออยู่กับจิตแบบสงบนิ่งนิ่งแบบนี้ไปเรื่อย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 บางคนก็ต้องเจดเดือนบางคนก็ต้องเจดปีบางคนก็ต้องเจดชาติอันนี้อยู่ที่น้ำมันที่เติมไว้ว่ามีพอหรือไม่ถ้ามีมากพอเหยียบคันเร่งจมเข้าไปจมคันเร่งเลยนี่มันก็เจดวันก็ถึงละถ้าเติมครึ่งถังเหยียบไปจมคันเร่งเดี๋ยวมันไปถึงกลางทางมันก็หมดต้องเติมใหม่ก่อนอันนี้เป็นเรื่องของเจดวันเจ็ดเดือนเจดปี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 เรื่องต่ำก็เป็นขั้นของพระโสดาบันสกิดาคามีและพระอนาคามีที่จะต้องตัดให้ได้ของพระโสดาบันนี้ก็ต้องตัดสามเส้นแรกคือสกายทิฐิความเห็นว่าตัวร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเ <c oughs> วทนาสัญญาสังขารจิต ญ, ญ, ญาณเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> แล้วก็ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ และศีลปัตตป a r a m a คือความความความปฏิบัตินอกคำสอนของพพระพุทธเจ้าคือยังเชื่อเรื่องหวงจุย้ยเรื่องหมอดูดวงดาวเลิกยามะต่างๆนี้ถือว่าเป็นความเชื่อนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนให้เชื่อกรรมอย่างเดียวก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ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 ที่มีเจริญแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าพิจารณาเห็นเราก็ยอมรับความจริงก็ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปที่ไปทําพิธีกรรมไปทําอะไรต่างๆเก็เพราะว่าอยากจะให้มันไม่เสื่อมแสดงว่าไม่มีปัญญาไม่เห็นความเสื่อมไม่เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตานี่คือพระสุดาบันเห็นเรื่องของความเสื่อมของ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 ส่วนอีกสองเส้นที่ยังตัดไม่ได้ก็คือกามาราคะความยินดีในก า, มารมารณมแล้วก็ปฏิฆาความงดเกิดเวลาสองอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นด้วยกันเวลาเกิดการมารมแล้วไม่ได้เสพก า, ารมารมมันก็จะงดเกิ ด, ดมันงดหกิ ด, ดมันเลยต้องไปเสพพอมันเสพแล้วมันก็หาย <c oughs> แต่มันหายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างท้าวว ก็ต้องอย่าไปเสพการมาลมเพราะการมาลมเป็นตันหาความอยากความอยากนี้ต้องทำลายมันการมาลมนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไปเห็นของสวยของงามในร่างกายของผู้อื่นถ้าอยากจะดับการมาลมก็ต้องพยายามเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของผู้อื่นอย่าเห็นคนที่เราชอบเนี่ยเราชอบเขาเราเห็นเพราะเห็นหน้าตาเขารูปร่างเขาการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเราเห็นแต่เพียงส่วนนอก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 อันนี้ก็เป็นขั้นของพระสกิดาคามีกับขั้นพระอนาคามีพระสกิดาคามีท่านแสดงว่าสามารถที่จะละได้เป็นบางส่วนแต่ยังไม่ละได้เต็มที่ทำให้การมาราคาเบาบางลงไปแต่ไม่หมดไม่ร้อยเอร์เซเพราะว่าไม่สามารถเห็นได้ตลอดเวลาบางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ไม่เห็นความไม่สวยงาม เวลาที่เห็นก็ไม่มีการอารมณ์เวลาที่ไม่เห็นไปเห็นส่วนที่สวยเข้าก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาต้องขึ้นไปอีกขัน้นคือขั้นพระอนาคามีนี้จะเห็นตลอดเวลาเห็นร่างกายปั๊บนี้จะเห็นทั้งส่วนที่ส ว, ทสวยและส่วนที่ไม่สวยพร้อมๆกันไปพอเห็นอย่างนี้แล้วการอารมณ์ก็จะดับไปปฏิฆะความหงุดหงิดใจก็จะหายไปก็จะตัดสังโยชน์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 จิตของพระอนาคามีถ้ายังไม่บรรลุปเป็นพระอาราหันต์ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันชั้นสุทาวาส <c oughs> แล้วก็จะปฏิบัติจเจริญปัญญาต่อเพื่อตัดสังโยชน์ในข้าเส้นคืออรูปาราคะความยินดีในชในรูปฌานอรูปราคะความยินดีในอรูปฌานแล้ปปาาวก็ <c oughs> อะไรมานะความถือตัวอวิชชาความไม่รู้พระอริยสัจยังไม่เห็นอริยสัจสีที่มีซ่อนอยู่ภายในจิตที่สงบนั้นแล ะ, อ, ะอุทธะความพุงสร้างที่ยังมีอยู่ในจิตผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ตัดไปให้ได้ไปให้หมดทั้งห้าเส้นถ้าตัดห้าเส้นได้ก็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 ถ้าไปเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่ม่านก็จะบอกเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยตัวที่ต้องทำลายไม่ใช่ไปไปรักษามันไปปกป้องมันเพราะมันมันหน้ามันสวยงามอะท่านบอกมันเหมือนเหมือนนางบังเงาท่านบอกตอนตอน้นที่ว่าอาวิชชานี้เป็นเหมือนเสือแต่พอไปเจอตัวจริงแล้วมันเป็นเหมือนนางบังเงาเหมือนนางงามจั ก, กราวาล มันสว่างสวัยจิตอวิชานี่มันตัวสว่างสวัยมันแบบว่าไม่เคยเห็นความสว่างสวัยอะไรมาก่อนเหมือนตัวนี้ท่านก็เลยไปแบกมันอยู่ถึงสามเดือนแล้วในที่สุดท่านก็มารู้ทันว่าอ๋อไอ้ตัวนี้เองที่เป็นตัวพบตัวชาติที่ว่าตรงไหนมีจุดมีตอ่อตรงนั้นจะมีพบมีชาติอยู่ก็ไอ้ตัวนี้ตัวที่จะทําให้ไปเกิดต่อได้อยู่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 เกลงตาท่านึ่งแม่้พระเน้นรับกิ่นนิมนต์ไงความจริงรับกิ่นนิมนต์มันก็เป็นการไปปวดญาติโยมให้ญาติโยมได้ทำบุญแต่ในขนาะเดียวก็ก็ไปทำลายสมาธิของพระผู้ปฏิบัติพอเวลาออกไปแล้วไปเห็นรูปเสียงกิ่นลดใจก็ฟุ้งขึ้นมากลับมาวัดไอสิ่งที่เห็นอยู่มันยังค้างอยู่ในใจย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 คำถามข้อต่อไปจากคุณปราดาวบินได้นะครับมีพี่ที่ทางานฝากถามว่าเวลาไปภาวนาที่วัดครูอาจารย์ความคิดมักจะชอบไหลลงต่าเช่นไปลบหลู่ครูอาจารย์โดยที่เราไม่ตั้งใจควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็หยุดมันซิถ้ามันคิดไม่ดี <honor> ก็หยุดมันถ้าหยุดไม่ได้ก็ここใช้พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปหยับไหวให้มันคิด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 ในสมาธิอันนั้นก็เรียกว่าเป็นพนาณิพานสงบตลอดเวลาเพราาเหตุที่มาทำลายความสงบมันมันถูกทาลายไปหมดจิตก็ไม่ต้องเดินยมกลมไม่น้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสติปัญญาอะไรต่อไปเพราะจิตมันสงบของมันไม่มีไม่มีพิษมีภัยที่มาทำลายความสงบนั้นทาร่างกายก็เหมือนหายจากโรคภยัยไข้เจ็บไม่ต้องกินอยู่กินยาไม่ต้องทาอะไรแล้ว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 ถ้าไม่ได้ใช้คำพูดนั้นแต่มันก็เป็นอันนั้นแหละคือพระนิพพานที้ท่านชันเราก็ไม่ได้ศึกษาทางพระคำพีเท่าไหร่งแต่ท่านไม่ค่อยจะอยากจะอยากจะพูดมากเพราะว่าพูดไปคนฟังก็จะอาจจะออกไปจินตนาการอะไรต่างๆแล้วอาจจะหลงผิดได้ท่านเลยบอกว่าให้ปฏิบัติ ด, ดีกว่า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 เราถึงบอกเราไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องเราอย่านี้ไงเพราะมันมันเป็นดาบสองคมมันมันถึงบอกไม่ได้อะไรไม่เปิดบัญชงบัญชีถ้าเกิดว่าลราทางโอนเงินตานนี้เป็นล้านแล้วครับอาจารย์ำ ค, คำ<ๆ>ําว่าไป<ๆ>ไม่มีอะไรไ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 อยู่ในวัดในโบสถ์และได้ถวายผ้าตายอยู่บ่อยครั้งมีอยู่วันหนึ่งได้พั้งทำผิดศีลไปในเวลานอนได้เกิดฝันร้ายว่าจะมีอันตรายกับตัวได้หนีอันตรายจนไปพบหลวงปู่แหวนสุจินโนนั่งขับสมาธิอยู่ในกระท่อมเลยดีใจมากก้มลงกับหลวงปู่แทบตักหลวงปู่รูปหัวและบอกว่าไม่เป็นไรผมได้ลุกขึ้นเห็นพระอีกรูปคือหลวงปู่สิม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 มีความสุดโสมอยู่ตลอดและกำลังเร่งทําความเพียรตัดกิเลสศึกษาธรรมจากพระอาจารย์สุชาตินำมาปฏิบัติถูกแล้วแหละขอให้ปฏิบัติให้ ม, มากๆพูดไทยน้อยๆ <c oughs> ถ้าถ้าปฏิบัติมันมากแล้วต่อไปมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติแล้วมันเห็นแล้วมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไปถามใคร ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆล้วพยายามพูดให้น้อยๆลงไป <c oughs> เอาแล้วนะวันนี้นะว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ก็ <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังมาไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเธอ้ให